มหาเปสการะสิกขาบท 50. ถามทรงบัญญัตินิสักคิยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ที่เขาไม่ได้ปรวรณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูกของครหัสผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกำหนดชนิดจีวรณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารภท่านพระอุปนันท h a สักยบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันท h a สักยบุตรที่เขาไม่ได้ปรารณาไว้ก่อนเข้าไปหาช่างหูกของคฤหัสผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกําหนดชนิดจีวรในมหาเปสการสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐาน เกิดด้วยสมุดฐาน6สมุทรฐาน